อาจารย์ครับการนมัสการครับผมจรรญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับอาจารย์ครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับครับเดี๋ยวจะสลองโกลเด้นครั้งที่สองครับอาจารย์ครบรอบสองหล่อครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าท่านอาจารย์บิณฑบาตมีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผม ประมาณ430คนก็ปกติครับใช่ปกติครับผมแล้วตอนออนไลน์ก็200ไมครับอาจารย์คนที่บ้านที่น่าปฏติประมาณ178นี่โอ้แะรวมกันแล้วประมาณ900ทั้งที่บ้านด้วยทั้งที่มาหมายถึงไรหมายถึงการมาฟังธรรมแลวการใส่บาศสบาใช่ไมั้าใจไใส่บาทก็200กว่าประมาณ200 ฟังทำที่หน้ากุฏิวันนี้ก็ร้อยเจ็ดนสะิบแปดราคาที่บ้านรวมกันก็ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าครับคืนนี้ก็หกพันกว่าครับได้ได้เยอะ <laughs> วันเดียว ว, ย ว, วันเดียวพระอาจารย์คุ้มเลยครับ <laughs> ทํางานเยอะมากเลยครับ <laughs> พระอาจารย์ครับช่วงนี้ปัญหารู้สึกปัญหาเยอะมากเลยครับไม่ฟปัญหาฝุน่นปัญหาอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับ แล้วเราจะอยู่กับปัญหาแบบนี้ยังไงที่จะทำให้พวกเราอยู่ได้แบบไม่ทุกข์ครับอาจารย์ก็เลยกับขอปัญญาพระอาจารย์ครับผมเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้พราเราอยู่ในโลกของความที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีบ้างภาษาภาก็เรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตา มันเป็นมันไม่ได้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของคนใดคนหนึ่งที่จะเสกที่จะเป่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่ความทุกข์ของเราไปเกิดจากการที่เราอยากจะไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่เราจัดการไม่ได้ครับียกว่าว่าตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เพราะไม่ได้เป็นดางที่ใจอยากใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรืออย่างไม่ให้มันเป็นเช่นเรนได้มีฝุ่นก็อยากให้มันไม่มีฝุ่น อันนี้ก็เป็นวิภาวะทันหะเพราะไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของโลกที่เราอยู่ของปัญหาที่เราเจอว่ามันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ก็ทำไปทำเรื่องบางอย่างที่เราพอที่จะทำได้ก็ทำไปแต่ถ้าเรามาเจอเรื่องที่มันสุดวิสัยเหนือความสามารถของเรา ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้อ ง, งระงับความอยากที่จะไปแก้มันยอมรับยอมอยู่กับมันไปยอมหยุดเย็นสามสูตร ส, สามยอยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเป็นอย่างนี้หยุดต่อต้านหยุดความอยากที่จะไปเปลี่ยนเขาพอเราหยุดความอยากนี้ได้จรเราก็จะเย็นลงหายทุกข์หายเครียดทันี้นมันอยู่ที่ตายรักการเห็นตายรักไหม เห็นตายรักใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่เห็นตายรักใจก็จะทุกข์พราะจะไปอยากไปจัดการอยากจะไม่เปลี่ยนแปลงอยากจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาป้าอาจารย์พูดคํานี้ก็คือสันโดษด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มันคือคําเดียวกันครับสันโดษก็คือการยินดีตามมีตามเกิด<ม>ก็ใช่ก็ปล่อยวางไง มันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปมันจะหนาวก็ปล่อยถ้าเราปรับอุณหภูมิไม่ได้เราก็อยากไปปรับมันถ้าเราปรับได้เชในห้องของเรามันร้อนเราเปิดเครื่องปรับอากาศไปแต่ถ้ามันเครื่องเสียก็ก็ต้องทําใจก็ต้องอยู่กับมันไปยินดีตามมีตามเกิดก็คือต้องมีอุเบกขาาใจไม่มีอุเบกขาใจก็จะอะ มปฏิกิริยาลักชางกลัวหลมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจนจิตเข้าฌานได้อยู่ในฌานสี่ก็จะเป็นอุบลิุเบขาระวางเฉยได้สักแต่ว่ารู้แล้วเวลาเอาจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญามารักษาอุเบขาหรืออุเบขาที่ไว้ให้อยู่ต่อไปในการสอนให้ใจมองเหธรรมชาติ ข อ, องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีดีไม่มีมีไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาตามเหตุตามปจัจจัยต่างๆถ้าเราละความอยากได้ไม่ไปอยางให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ ที่ทุกข์เพราะเรายัางอยากใช้ฝุนนี้หายไป ใ, ให้ยั่งยืน ด, ดูส่วนก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดมันก็เป็นความจริงของรางกายที่เราเริมคิดกันพระเจ้าทรงสอนให้เราคิดกันอยู่ว่าร่างกายก็เป็นอันนี้จังทุกขังมนนตาเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและความตายเป็นธรรมดาเราพลอยสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสมัยไหนยุคไหนมันก็จะเจอความแก่ความเจ็บความตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งพรอาจารย์ครับจุดนี้มีคนชอบมาคุยกับผมบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยบอกให้ปล่อยวางแล้วก็เลยไม่เกิดการแก้ปัญหาอันนี้ขอปัญญ า, าจากพระอาจ์บอกให้แก้งถ้าแก้ได้ก็แก้ไงไม่ได้ก็ห้ามแก้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เราจะไปแก้ยังไงล อาหวชนฟามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ครับแก้ได้ก็แก้ถ้าพูแก้ฝนไม่ได้แก้เลยสั่งให้ผลตกทั่วประเทศเลยคยงเดียวฝนสยหายไปหมดเลยเห็นไหมหน้าหน้าฝนนี่ม่เคยมีปัญหาเรื่องฝนเท่าไหรไมรอสั่งได้หรือปล่าสังได้ก็ทปเลยนี่พูดกรณีที่ทำไม่ได้ก็ต้องมาทำใจอย่าไปทุกขกับมันครับแค่นั้นเอง อาจารย์อันไหนทําได้ทําเลยอันไหนแก้ได้แก้เลยอันนี้สนับสนุนเต็มทีม่พุทธศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ถ้าในสิ่งที่ทําไม่ได้ก็อย่าไปพยายามทํามันให้มันเหนื่อยไปเปล่าๆทุกไปเปล่าๆกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขออ น, นุญาตถามคำถามจากเพื่อนนะครับอาจารย์ครับคุณแคทครับบอกว่าถ้าเรา ตั้งเป้าหมายให้ได้โสดาบันในชาตินี้และได้เกิดเป็นเทวดาไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราสามารถเป็นพระอรหันต์ตอนเป็นเทวดาได้หรือไม่หรือต้องเป็นเทวดาชั้นไหนจึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครับก็เป็นไปได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วสามารถที่จะปฏิบัติต่อไปจนถึงพระเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดเพียงแต่ว่าจ ะ, จะปฏิบัติหรือไม่ บาทีไม่ไม่ปฏิบัติก็ยังไปไม่ได้อาจจะไปติดความสุขของการเป็นเทวดาก็เลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติก็ได้จนกว่าจะต้องเห็นความทุกข์ก่อนถึงจะมีอะไรมากระตุ้นให้ปฏิบัติต่ตอตำรวจที่ยิงคนร้ายยิงคนไม่ดีตายบาปไหมครับเป็นการยิงในการปฏิบัติหน้าที่ครับคุณพลอยถามครับบาปแต่บาปไม่มาก พราะไม่มีเจตนาที่จะไปตั้งตั้งใจที่จะฆ่าเขาแต่อาจจะต้องมอบกันตนเองแล้วก็ต้องจับเขามานำเนินคดีเมื่อเกิดการต่อสู้กันก็ต้องมีการฆ่ากันก็บาปแต่ไม่บาปเหมือนกับทําเพราะความโลภความโกรธอะไรทํานองนี้เป็นบาปหนักบาปนักเบาต่างกันจะบอกเพื่อนเพื่อนทางทิกต็อกไม่าสามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับ น้องชายอายุห้สิบปีเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นภาระเรากู้เป็นพี่สาวเราควรจะทําอย่างไรดีครับก็เลี้ยงเขาไปเสียถ้าเลี้ยงได้ถ้า เ, าเป็นการทาบุญไปให้ความเมตตาเข้าไปช่วยเขาไปตามบุญตามตามกาลังของเราช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปตามยถากรรมก็เหมือนกันแ่ะเหมือนกับฝุ่นเนี่ย คนเราแก้ได้กแก้ไปแก้ไปแได้ก็ต้อก็ต้อยู่ไปตามยถากรรมไปปัญหาเยอะแยะแต่เชื่อว่าเราทําใจให้สงบเราก็สบายครับใช่ไหมครับใช่เวลาเราใจสงบเราหยุดคิดถึงปัญหาต่างๆความทุกข์ก็เลยไม่เข้ามาในใจเราแต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวว่าไปคิดถึงปัญหาอีก ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องอย่าไปคิดถึงปัญหาหรือว่าถ้าจะแก้โดยที่แก้แบบถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาว่าเป็นสิ่งที่มันไม่อยู่ภายใต้ความสามารถของเราที่จะไปแก้เขาได้ก็จะไม่ทุกข์กับเขาถึงมันจะไปคิดถึงเขาต่อไปก็ไม่ทุกข์ยอมรับกับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ทาแก้ของเขาไม่ได้ เราจะระ ง, งับกิเลสตัณหาอย่างไรได้บ้างครับก็มีสามขั้นน่ทานศีลภาวนาเป็นการเป็นเครื่องมือระงับกิเลสตัณหาในในระดับต่างๆระดับแรกก็คือระดับทานทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปตอบใช้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราไปเสพ ร, รูปเสียงกลิน่นรสต่างๆอันนี้ พระเจาก็บอกว่าให้เอาเงินที่เราจะซื้อของเหล่านี้ไปทําบุญแทนดดดั ก, กิเลส <c oughs> อย่าไปทํากิเลสพื้นกิเลสลเวลาไปทําบุญใจก็จะเกิดความสุขอีกรื่นแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากการได้เสียสละแบ่งปันแล้วมันก็จะทําให้เราลดความอยากที่จะใช้มันฟุ่มเฟยใช้ซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ต่อไปแล้วก็จะใช้เงินโดยไม่เห็นไม่ผลไม่ได้ใช้ตามอารมณ์ ถามีเงินเหนือเยอะก็เอาไปทําบุญแทนเพราะบุญที่ความสุขที่ได้จากการทําบุญมันดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆของหรูหราของพุ่มเฟือยนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นยาเสพติดของใจเสร็จแล้วก็ต้องติดต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อคันนี้รถใหม่คันนี้นั่นเดี๋ยวไม่กียจเดื่องก็อยากจะซื้ออีกซื้อเสื้อผ้าชุดนี้นั่นเดีย๋ยวก็อยากจะซื้ออีกพราะเห็นของใหม่ออกมาเี่่อไรใจก็อยากจะได้ขึ้นมาที แต่ถ้าเอางินไปทําบุญนี่ใจมันจะไม่หิวมันมีความอิ่มใจสุขใจแล้วมันในขณะเดียวกันก็ต้านความโลภความอยากเพราะเราไม่ทําเงินไปสนับสนุนความโลภความอยากอันนี้ขั้นทานขั้นศีลก็ระงับความโกรธของเราเวลาเราโกรธใครเลือดทอนโลภของเราบางทีเราโลภอยากอะไรได้มากๆเราก็อาจจะไปทําโดยที่โดยโด ย, โดยวิธีไม่ชอบไปทําบาปไปลักทรัพย์ไปช่อกโกง อ น, นี้เวลาโกรธใครก็ไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเราไม่ศีลเราก็จะยับยังการกระทําเหล่านี้ได้เลาวขั้นต่อมาก็คือการภาวนานั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิได้หยุดความคิดได้ก็หยุดกิเลสตัณหาได้ชัว่วคราวกิเลสตัณหาจะไม่มีเวลาที่เราเข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าถ้าเราเผลอปล่อยให้ใจคิด กิเลสตัณหาก็จะออกมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์พอมไม่เทียมทุกข์พอมเป็นสิ่งที่เราควบคุมครับให้มันให้ความสุขกับเราเพียงเดียวไม่ได้เนี่ยคือทางศีลอนาั น, านนี่เป็นเป็นเครื่องมือในการระงับหับกิเลสในระดับต่างๆในตามกําลังของผู้ปฏิบัติ ก็ายังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ต้องเอาเปลี่ยนวิธีใช้เงินให้ถูกต้องอย่าไปใช้ตอบสนองกิเลสตัหาแล้วถ้าถ้าเป็นอยู่ในขั้นรักษาศีลได้ก็เวลากรดใครเวลาโลภอยากจะได้อะไรก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาสียหายเดียดร้อนแล้วถ้าสุกสตินั่งสมาธิได้ก็หยุดกิเลสได้ชั่วคราว ถ้าอยากจะให้กิเลสหายไปอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันของชั่วคราวได้มาเดี๋ยวความสุขก็หมดไปเพราะความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เึ่นแต่งงานกันได้สามวันพันไปไประกันอุบัติเหตุตายไปความสุขที่ได้สามวันหายไปลกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแทนที่เพราะแฟนเป็นของไม่เที่ยง แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ให้เขาอยู่กับเราตลอดอนดันตา ก, การไม่ได้นี่คือวิธีการละงับดับกิเลสนะะแล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนเราทาในระดับั้นล้วก็ทำไปก่อนส่วนใหญ่ย่ำยำก็เรื่องการใช้เงินนะใช้เงินเสบรูปเสียงกลิ่นลดใช้เงิ น, งนซื้อของฟุ่มเฟือยใช้เงินซื้อของหรู ห, าหรหาอะไรต่างๆนี้ คุณแฮปปี้ครับสอบถามคือเงินในบัญชีมือถือมีส่วนหนึ่งเป็นของแม่เวลาแม่อยากทําบุญจะให้เราโอนให้แบบนี้คือใครได้บุญครับตัวเองทําบัญชีของแม่แยกไว้ครับเอ่อก็หากบัญชีของแม่ออกไปเสร็จก็เป็นของแม่เพราะแม่เป็นคนสั่งเป็นเจตนาของแม่ไม่ใช่เอาเงินของเรามาทํานอกจากว่าทำเงินในบัญชีแม่หมดแล้วเราเอาเงินของเราให้แม่ไปทําเนี่ยเราจะได้บุญเพราะเราทําบุญกับแม่ แล้วแม่ก็ได้บุญแม่ก็ได้ทําบุญกับวัดโดยที่แม่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเงินของแม่แล้วแต่เราก็ให้แม่ไปถือว่าการให้เงินของเราให้กับแม่ก็ถือว่าเป็นเงินของแม่ไปในตัวถ้าอย่างนี้ก็ได้ทั้งได้ทั้งสามไดม้ได้ทั้งสองคนเลยแต่ถ้าไปบอกแม่ว่าแม่เงินในบัญชีแม่หมดแล้วนะก็ก็ไม่โอนให้บอกว่าเงินหมดถ้าแม่ขออย่างนี้มันก็แม่ก็ไม่ได้บุญละพ่อแมา่มาขอ การขอไม่ได้บุญการให้เป็การให้บุญคุณแม่อายุแปดสิบสองล้มแขนหักสะโพกหักอยู่ที่บ้านครับที่บ้านต้องไปทำงานกันหมดให้คุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์เนื้อซุ้ตลอดไปอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปหลอวก็เป็นการดูแลท่านแต่ น, นอาจจะเป็นในรูปแบบที่มันนา จ, จะไม่ใกล้ชิดไม่ได้ให้ความอบบุญกับท่านขาดความเมตตาการุณา ดูแลอยู่แต่ไม่ได้ให้ความดูแลแบบใกล้ชิดอย่างไรอาจจะดูแลทงางด้านกายของท่านแต่จิตใจของท่านอาจจะไม่ค่อยได้เยียวยาเท่าไหร่ก็ปล่อยให้ท่านไปอยู่กับคนที่เา้าท่านรู้จักยกเว้นว่าท่านมันมีเจตนาต้องการอย่างนั้นก็โอเคนะท่านบางทีท่านก็ไม่อยาจจะรบกวนลูกๆว่เาเห็นลูกต้องไปทําหากินก็าบางทีก็สมัครใจว่าไปอยู่ที่ศูนย์คนชราดีกว่า ลูกๆจะได้ไม่ต้องมากังวลแต่ถ้าเป็นลูกที่มีความกตัญญูรัก แ, แม่จริงๆก็ต้องพยายามทุกวิธีทางที่จะอยู่กับแม่ให้ได้มากที่สุดเท่านที่จะทาได้เพราะแม่นี่เป็นบุคคลที่ประเสริฐสําหรับทุกโลกเป็นพราอรหนของลกูกๆทาบุญกับแม่ได้บุญเท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์บุญสราวุธครับ ทบกวนพระอาจารย์อธิบายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแบบง่ายๆและจําเป็นต้องเรียนระดับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในตอนปฏิบัติด้วยไหมครับคือการพิพจารณากายเวทนาจิตนี่เป็นการเรียนวิชาสามวิชานั่นคือเรียนคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราแยกเรียนกันนะไม่ได้เรียนทีเดียวพร้อมกันในในในคาบเดียวกันไม่ใช่เข้าไปเรียน เข้าไปเรียนวิชากายแล้วก็เป็นเรียนิเวทนาไปเรียนจิต ด, ด้วยเราจะแยกออกกันมันเป็นสามระดับของการศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของกายของเวทนาของจิตว่าเป็นอย่างไรคํราว่ากายใน oh. กายก็ให้พิจารณาเรื่องของร่างกายเนว่าในร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายมีหลายลักษณะที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเช่นร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสาวสิบสองร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย น่างกายไม่มีตัวตนเป็นทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนล้วเอามามากลายเป็นดิอาการสามสิบสองของขนเล็กฟันหนังถ้าพิจารณาร่างกายดูอาการหามสาิสองก็จะไม่เจอตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยอันนี้ก็เป็นการศึกษากายในกายเวทนาเราศึกษาเวทนามีกี่เวทนามีกี่แบบก็มีสามแบบมีสุขก็เวทนาไม่สุข มีทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกเวทนาเป็นนิจจังเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเราก็คุมบังคับขาไม่ได้จะสทำให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเห็นตายรักเห็นตายรักในร่างกายเห็นตายรักในเวทนาแล้วก็เห็นตายรักในจิตจิตก็คืออารมณ์ที่มีปรากฏอยู่ในจิตอารมณ์ในจิตก็แปลป่วนไปลเมื่วันก็สดชื่นเบิบานมืวันก็เศร้าหมองเมืวันก็สนเศร้บาบมืวันก็ ดีออกดีใจโปร่งใสเอาไว้ก็เครียดลมหายก็สงบนี่คืออารมณ์ต่างๆก็เป็นตอำนาจจังไม่เที่ยมเป็นหน้าตาเราควบคุมบังคับไม่ได้อย่าไปควบคุมบังคับมันถ้าอยากควบคุมมังคับมันก็มันก็อยากให้จัดการกับฝุ่นฝุ่นนี่มันก็จัดการไม่ได้เหมือนกันก็ต้องยอมหยุดเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างยอมหยุดเย็นกับร่างกายยอมหยุดเย็นกับเมตนายอมหยุดเย็นกับจิต อารณ์ของจิตถ้าอยอมได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์มีผู้เข้ามาใหม่นะครับบอกว่าอยากมีโอกาสจะไปกราบพระอาจารย์ครับจะไปใส่บาต ท, ที่ไหนได้บ้างและกำหนดการของพระอาจารย์เป็นอย่างไรครับก็ทุกวันมันบาทตอนเช้าที่บ้านอำเภอลมด้นที่ปากซอยนาจอมเทียนส0มสิบเลย แลก็เดินไปถล่มซอยนาจอมเทียนสามสิสองหรื อ, อยังไงนี่จำไม่ได้เป็นตัวตัววีแล้ตัวยูเดินไปแล้วก็ประมาณกี่โลกว่าก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงเสร็จเสร็ยญาญยงก็มาตามม า, มาลอล่วงหน้าก็ได้หรือถ้ามาไม่ทันก็ขับรถไล่ตามมาทีหลังก็ได้ใช้เวลาเริ่มประมาณสักหกโมงตอนนี้หกโมงสิบห้าเริ่มประมาณเสร็จประมาณเจ็ดมงสิบห้า ที่บ้านเออยู่ใกล้ๆกับอยู่ระหว่างพัทยากับสัตหีบอยู่ระว่างทางนะเขาจะมีซอยชื่อนาจอมเทียนได้ต่างๆย่า น, นที่นาจอมเทียนสาสิบที่ปากทางก็จะมีร้านคาเซกับร้านคาบิ๊กซีอยู่ละซ้ายขวาปรี๋แต่จะลำหนักหตรงที่ว่าตรงข้างหน้านั้นมีสะพานนลอยใน mm hmm. เวลาขับรถมาจากทางกรุงเทพจากพัทยาจะต้องยุเทินเลียวขวากลับเข้ามา ต, ต้องอยากขึ้นขึ้นสะพานหน่อยถ้าไม่ทำอย่างนมันจะลอยไปเลยเลยไปถึงปากทางเข้าวันยาเลยก็ต้องอยืดเทินกลับมาต้องไปยืดเทินเกือบถึงบางเฉลนมแล้วก็นี่นก็ช่วงมินทบาทหลังจากฉันเสร็จไอ้หลังจากมินทบาทเสร็จก็กลับมาที่ศาลาถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะฉันที่ศาลาตั้งแต่ ประมาณแปดโมงถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงก็จะอยู่ที่ศาลาประมาณแต่ต้องเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดนักขัตตระจะไม่ได้ลงนศาลาหลังจากกล่าวจารีตบากก็จะไปฉันที่กุติตอนนี้วันนั้นก็จะต้องของวัดรับแขกที่ที่กุติแล้วก็วันนักขัตตระก็จะรับแต่วันหยุดวันวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดนักขัตตระก็จะรับแขกช่วงบ่ายสองโมง ที่น่าปกติในการแสดงธรรมจกกันถึงเวลาประมาณ3โมง45เดียกันนี่ก็เยก็คือตารางเวลาคร่าวๆที่สามารถที่จะพบกันได้และนอากนั้ก็ยังมีซูมกับารายการของคุณหมอทุกคืนมาทิตย์2ทุ่มเกิดวันพุธก็มีรายการซูมที่ญาติโยมสามารถเข้ามาร่วมสนทนาถามได้ คุณลัตตนมณีครับการกําหนดเอริยาบทย่อยคําถามเช่นมีคนเดินผ่านแต่กําหนดไม่ทันครับกรรมฐานหลุดครับเราไม่ไปกําหนดเอริยาบทของคนอื่นเรากำหนดเอริยาบทของเราผูกใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจร่างกายของคนเดินเรากำลังทาอะไรให้อยู่มีสติอยู่กับการกระทําของเรากําลังอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็่ให้อยู่กับการอาบน้ํำล้างหน้าแปรงฟัน กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารกําลังทําความสะอาดทําอะไรต่างๆให้มีสติอยู่งานที่เรากำลังทําอยู่อย่าปล่อยให้ใจอลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ของร่างกายเพื่อจเจริญสติควบคุมความคิดหยุดใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดถ้าไม่ลอยไปกับความคิดต่อไปความคิดมันก็จะหายไปมันก็จะไม่เข้ามาในใจเรา คนเสียชีวิตกันมากจะเปลี่ยนเป็นยุคพระศรีอานไหมครับอ๋อมันถึงเวลามันก็เป็นของมันเองรพระมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อยู่เรื่อยๆแต่ระยะเวลามันห่างไกลมากท่าที่ได้ได้ยินได้ฟังมาเราอยู่ในยุคที่ยั ง, ยงไม่ถึงขั้นขั้นเสื่อมเต็มที่แต่จะเริ่มเสื่มลงไปเรื่อยๆเรื่องทุกคนเรื่องศีลธรรมเรื่องจิตใจของคนนี้จะห่างไกลจากศีลธรรม กันมากขึ้นมากขึ้นจิตใจจะโหดล้าทารลงต่อกันมากขึ้นในการฆ่าฟานกันอะไรกันมากขึ้นแข่งแย่งชิงดีราบยุษสรนสนุ่งสนุกกันมากขึ้นจนถึงจนถึงยุคที่เขาเรียกว่ายุคเมกัสันยีก็เห็นคนนี้เป็นถักเป็นปลาฆ่ากันเป็นเหมือนถักปลาเพื่ออาผลประโยชน์ที่ตัวองต้องการยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่คนดีจะต้อ ง, งหลบนหนีไปอยู่ตามช่องนบด อยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็ปล่อยให้พวกคนที่ไม่มีศีลธรรมนี่ก็อยู่แข่งแย่งชิงดีกันฆ่ากันไปจนตายกันหมดพอตายหมดแล้วคนที่ดีก็จะกลับมาสร้างสังคมใหม่ส้าสังคมที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเรายุคนั้นก็จะมีพระศรีอานมาตัดเจาลกเป็นพระเจ้าอีกข้างหนึ่งแต่เวลานี้ไม่รู้ไ่ไหร่มันไม่เป็นร้อยปีหรือล้านปีหรือแสนปีอ น, นี้ไม่เป็นกลับ คุณสัชิรักษ์ครับการปฏบิบัติบางวันจัดการเวลาทางจิตไม่ได้กับพระอาจารย์แนะแนวทางครับเออเราก็ต้องจัดตารางสิเช่นถ้าเราวันที่เราทํางานเราก็ต้องยอมรับกับภารกิจทางการงานไปแต่ถ้าเราสามารถสอดแทรกเวลาการปฏิบัติในช่วงไหนได้ก็สอดแทรกเข้าไปเช่นมีเวลาว่างสักสิบ้านาทีเอาเวลาว่างนั้นมานั่งสมาธิได้ไหมถ้าเราอยู่คนเดียวในห้องทํางาน ถ้าไม่ได้เลยก็ต้องยอมรับว่าวันทำงานนี้เป็นวันที่เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้แต่เราก็มีวันหยุดทำงานอยู่วันหรือสองวันพระเจ้าสอนให้เราเอาวันหยุดทำงานนี้มาให้กับการปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยที่เราเรียกว่าวันพระเนยวันพระก็คือวันหยุดทำงานเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันแต่ัดนี้พอดีวันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของญาติอยู่หยุดมันตรงกันบ้างแต่มันไม่ตรงกันทุกคั้นไป เพราะฉะนั้นเราต้องให้ทันสมัยเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระของเราให้มันตรงกับวันหยุดของเราเพราะคำว่าวันพระก็คือวันหยุดทํางานนี่เราก็มาเอามาวันหยุดของเาวันเสาร์แล้วก็เอาวันเสาร์นี่มาเป็นวันปฏิบัติธรรมไปอยู่วันปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเท่าไ ปวเข่าไม่ดีครับเวลานั่งสมาธิจะขยับบ่อยได้ไหมครับอย่าขยับถ้าถ้ามันไม่ดีก็นั่งนั่งนั่งคอยเท้าไปก็ได้นะอย่าไปขยับถ้าขยับร่างกายแล้วมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่การนั่งสมาธินี่เราต้องการให้จิตปล่อยง่างกายให้แยกออกจากร่างกายถ้าจิตยังยังห้อยมาขยับร่างกายอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แยกออกจากร่างกายไป แทนวันนั่งสมาธิอย่าไปยุ่งกับร่างกายเลยพอเราเริ่มพุโทโธเริ่มดูลมแล้วเข้อยู่กับพุโทโธดูลมไปร่างกายจะคันก็อย่าไปเกาน้ำลายมันจะไหลก็อย่าไปเกลืนน้ำลายไหวยมันไหลออกไปมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปขยับถ้ากลับมาขยับร่างกายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เข้าไปไม่ถึงไหนการที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงรักษาร่างกายอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับ ก็ถ้าทําได้ก็ทําไปอันนี้ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายแต่ก็ต้องดูความความความเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้หรือไ ม, ไม่ถ้ามันเป็นไปได้ก็ทําไปถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดการที่มันเป็นกิเลสถ้ามันเป็นทุกข์ก็แสดงว่ามันกิเลสแต่ถ้ามันไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่เป็นกิเลส คุณอชริยะครับการเดินจงกรมพอกําหนดบริกรรมรู้สึกแน่นเครียดถ้าดูแค่รู้ร่างกายเคลื่อนไหวคือรู้แขนไหวขาสลับเดินไม่บริกรรมได้ไหมครับได้ไม่ต้องบริกรรมให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูที่เท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเหมือนทหารที่เขาเดินสนสนามก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็มีสเติยอยู่ ก, การก้าวเท้าไป เราจะต้องทําอย่างไรครับหากต้องอยู่กับคนที่ชอบแช่งด่าว่าอารมณ์เสียง่ายครับก็เราห้ามเขาได้หรือเปล่าแต่เราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจไหวให้เขาสาบให้เขาแช่งไปเหมือนกับเราเราห้ามไม่ให้ฝนตกฟ้าร้องได้หรืป่าไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมเพราะเรายอมรับมันเราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นเหมือนนินฟ้ากันเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ไหวเขา สาบไปแช่งไปความจริงแล้วมันคําสาบแช่งไม่ได้ทาให้คนดีหร้อชั่วมันอยู่ที่พฤติกรรมของของแต่ละคนมากกว่าคุณชโชกโก้ครับกรรมอะไรครับที่หนูได้เลี้ยงพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ไม่ชอบหนูไม่เคยพูดดีและพูดอะไรพ่อจะไม่เคยชอบแต่กลับไปชอบรักลูกที่ไม่เลี้ยงที่อยู่ต่างจังหวัด ส่วนหนูคนหาเลี้ยงแต่กลับไม่ชอบแต่หนูคิดเสมอว่าชดใช้ให้หมดไปพบนี้พบหน้าไม่ขอเป็นลูกอีกครับมันจะเป็นห่อเวลาอยู่ใกล้กันมันเคยชินกันไงมันก็เลยไม่คิดถึง่ลูกที่อยู่ห่างไกลก็ไม่ได้เห็นหน้า ก, นก็อาจจะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลท่านจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสของท่าน แต่เรามีหน้าที่ที่เราต้องจดเชยบุญคุณทดแทนบุญคุณของท่นก็ทําไปตามครับอย่าไปหวังผลตอบแทนจากการทําบุญกับพ่อแม่อย่าไปหวังว่าพ่อแม่จะต้องรักเราชอบเราอย่ามีมีน่าขอให้เราดีใจที่เราได้มีโอกาสได้ทําบุญเพราการได้ทําบุญกับพ่อแม่นี่ได้บุญมากดีกว่ารูกๆที่ไม่ได้ทําบุญเขาไม่ได้บุญเขตายไปเขาไม่ได้ไปสวรรค์เหมือนเราเราเป็น้าเร า, เร า, เ, ราเราได้ไปสวรรค์ แต่เขาไม่ได้ไปสวรรค์้ว่วาไม่ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ปลูกต้นไม้หลายพันต้นถวายในหลวงราช ก, การที่9ให้เป็นสาธารนณะดูแลมา7ปีแต่ไฟไม่ตายหมดได้บุญอยู่ไหมครับ อ, อ๋อบุญได้ไม่นานแล้วตั้งแต่เราทําไปเพราะว่าพอเราทําปุ๊บบุญก็เกิดขึ้น ใ, นใจเราก็มีความสุขแล้วส่วนสิ่งที่เราทํานั้นมันจะอยู่ยืนแล้วไม่ยืนนี่ไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกับบุญที่เราทําำ มันนิ่งอยู่ภายใต้กฎของตายนะเป็นเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปยึดไปติดเนี่ยจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราเสียใจงัเราอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราทําไปแล้วให้ให้เขาไปแล้วก็ถือจบไม่ใช่หน้าที่ของเรานะบางคนถวายของอะไรมาเฝ้าก็ท่านอยากไปใช้หรือเปล่าเพราะไม่ใช้ก็เสียใจเองอันนี้เป็นการทําบุญที่ไม่ถูกต้อง การทำบุญแล้วต้องเถอว่าเสียสละสิ่งนั้นไปแล้วไม่ได้เป็นของของเราแล้วผู้รับก็จะไปทําอะไรต่อให้ใครก็เป็นเรื่องของเขานะคุณวสดุครับมีเพื่อนฝากเราโอนเงินทําบุญเราโอนให้ก่อนเพื่อนเอาเงินมาคืนทีหลังแบบนี้ได้ผู้ใดได้บุญครับเพื่อนเฉยเพราะเขาเป็นคนเสียเงินเราเพียงแต่เป็นสะพานบุญให้กับเขาอันน่า จ, จะได้บุญในการช่วยทําให้เขาได้ทําบุญก่อน แต่ถ้าเขาไม่เอาเงินมาให้เราเลยเนี่ยบุญก็จะเป็นของเราถ้าเราไม่ไปคิดว่าเขายังเป็นหนี้เราอยู่เราคิดว่าอ้าเขาไม่อาจจะไม่ไม่ enfin สะดวกที่จะทําบุญเราก็ถือว่าเงินก้อนนี้ที่เราทําให้เขานี้ก็เป็นเราก็ทําเป็นของเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเขาเป็นหนี้เราเงินนี้ไม่ใช่ของของเราเป็นเงินที่เขายืมไปทําบุญเราก็ยังจะไม่ได้บุญ ถ้าเราเห็นคนขโมยของต่อหน้าทุกวันแต่ทําอะไรไม่ได้เราควรจะทําอย่างไรครับตอนนี้ไม่ยากเลยเฉยเลยจะทําอะไรคุณปราณีครับทำคือหน้าที่ถ้าคนไม่ทําจะได้รับผลกรรมไหมครับคือหน้าที่ที่ต้องทํำคืออะไรนะต้องพูดมา ก, ก่อนเนะี่ยว่าเรามีหน้าที่หลายอย่าง ถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ได้ประโยชน์จากการกระทํานั่นเองที่เรามีหน้าที่กินอาหารวันละสามื้ออย่างเนี้ถ้าเราไม่ได้กินร่างกายันก็จะอ่อนอยากาขาดแคลนหิวโหยขึ้นมาถ้าทําตามหน้าที่ประโยชน์ก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องบุญของหนักบาปหน้าที่บางอย่างเทิดยาร่างการอัไ น, นี้ไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นเรื่องกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะว่าบุญนี้เกิด เป็นผลที่เกิดจากการเราไปทําร้ายผู้ไปทําประโยชน์ให้กับผู้เราก็จะได้บุญบาปก็เกิดจากการที่เราไปทําร้ายผู้เราถึงจะได้บาปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ทําความประโยชน์ให้กับใครเราเพียงแต่ทําหน้าที่ยืังดูตัวเราเองเราก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปล้วก็ได้แบบกางกลางได้การกระทําที่เป็นกลางกาไม่เป็นบุญไม่เป็นบา เวลาจิตใจวาวุ่นเรื่องพ่อป่วยต้องรักษาใจตัวเราเองอย่างไรไม่ให้คิดมากครับก็พิจารณาร่างกายของทุกคนว่าเป็นเหมือนกันหมดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครสามารถหลุดทวนจากความแก่ความเจ็บความตายได้ต้องถอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกพ่อยังไม่อยากให้ท่านตายยังไม่อยากให้ท่าน เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ท่านหายพอมันไม่เป็นไป ต, ตามความอยากของเราใจเรากข้าเลยทุกข์ขึ้นมาเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกเป็นเพราะสติเรายังไม่มากพอหรือเปล่าครับใช่ดังนั้นสติเริ่มหายไปแล้วปกติเวลาเรามีสติแล้วนั่งคุยกันนี้เราจะไม่ไม่โยกไปโยกมาใช่ไหม แต่เวลานั่งสมาธิบางทีเรเพลินกับการสวดมนต์และชวนกับพูดโตไปทําให้เราไม่มีสติควบคุมร่างกายให้นั่งอยู่เฉยออกเสียงสวดมนต์จะได้ยินคนแก่และพระท่านบอกว่าเหล่าเทวาจะมาร่วมรับฟังด้วยดีกว่าสวดมนต์ในใจหรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันหรอกเทวาเขาไม่มาฟังการสวดมนต์ของเราให้เสียเวลาล่ะ แ้ก็อยากจะสวดเขาสวดเขาเองก็ได้คุณวิไลครับผู้พิพากษาตัดสินคนผิดถูกประหารชีวิตมีความบาปหรือไม่สำหรับผู้พิพากษาครับมีมีบาปเพราะเป็นผู้สั่งให้เป็นผู้สั่งให้ปรับโทษเป็นผู้ชี้ผิดชี้ถูกชี้หรือ ช, ชี้เชื่อเป็นผู้บอกให้ให้ไปประไปประหารต้องมีก็ตัดสิน ก็เทรากัสั่งให้เขาไปประหารชีวิตคนนี้ก็บาปทำเองก็ดีหรือสาาั่ให้ผู่นทําให้ก็ดีก็บาปแต่มันอาจจะบาปไม่มากเหมือนกับบาปที่เกิดจากการกระทําด้วยความโลภหรือด้วยความโกรธอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออาแคบพยาบาทโกรธคนนั้นคนนี้นีนน่มาอยากให้เขาตายไปอันนี้มันมันจะเป็นบาปที่หนักกว่าแต่บาปที่ทําตามน้าที่ก็เป็นบาปแบบเหมือนกับเป็นการทำอาชีพมันก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน คนที่ทําบาป ด, ด, ด้วยเพราะจะต้องเลี้ยงชีพของตนเองก็เหมือนสัตว์เดราาัจฉานเดรัจฉานก็ต้องทําบาปในการเลี้ยงชีพของเขาถ้าทาําทบาปด้วยกองทําบาปเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองลายไปก็จะไปกลายเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่ไปเป็นเป็ดไม่ไปเป็นตอกนรกไม่ไปเป็นลาสุร่ายตกงานขาดรายได้จะอยู่อย่างไรให้ทุกน้อยลงครับเลดรายจ่ายลงเสีย มันมาจใายเราให้ให้น้อยที่สุดเท่าที่น้ที่จะน้อยได้มากน้อยสัน่นโดยการที่เราไม่ไว่ายเจ้าที่เจ้าทางมีผลอะไรกับชีวิตไหมครับไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งที่มีผลต่อชีวิตเราคือการกระทําของเราบุญหรือบาขุนอ้อนครับ หนูครับถามว่าหนูนอนหลับฝันดีทุกคืนได้ไปเที่ยวที่ต่างๆเจอผู้คนมากมายมีคนสะไอ้ส่สิ่งนั้นสิ่งนี้มีความสุขสนุกสนานจนบางครั้งตอนที่ตื่นมาแล้วเหมือนมีความคิดขึ้นมาว่าคืนนี้จะนอนฝันดีเรื่องอะไรอีกไม่ทราบว่าหนูกําลังยึดติดความสุขในฝันหรือไม่หรือควรจะวางใจอย่างไรดีครับก็ยินเราจะไม่ยึดติดกันได้เรายินดีกับความสุขในฝันแต่เราไม่ควรไม่การความอยากว่าจะต้องฝันดีทุกคืนไป เราต้องทาใจแบบสัมโดดเป็นกลางเกินี้จะฝันหรือไม่ฝันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าฝันก็ดีไปถ้าไม่ฝันก็แล้วไปบางทีอาจจะไปฝันร้ายก็ได้ไม่แน่นอนเรื่องของความฝันแต่ฝันดีเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นอำนาจของบุญที่เราได้สะสมไว้ส่วนฝันร้ายก็เป็นอำนาจของบาปที่เราได้กระทําไว้บางทีมันอาจจะสลับกันมาทําหน้าที่ก็ได้ ไม่มีโอกาสจะได้ดูแลพ่อแม่เพราะท่านเสียไปตั้งแต่เรียนจบนึกเสียใจตอนถึงตอนนี้เลยครับก็มันผ่านไปแล้วก็อย่าไปกังวลสิ่งที่เราจะทําหน้าให้กับท่านก็คือทําบุญแนละอุทิศส่ว น, บ, วนบุญส่วนกุศลมาให้กับท่านทุกครั้งที่เราทําบุญก็อุทิศบุญมาให้กับพ่อกับแม่ที่ ล, ล้มละไปแล้วนัถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าท่านได้รับหรือป่าอย่างนั้นเราก็เลยทำในสิ่งที่เราทําได้ ส่วนท่านจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่สถานภาพของจิตของท่านว่าท่านอยู่ในสถานภาพอันใดถ้าก็อยู่ในดวงวิญญาณที่หิวโหยขาดขาดบุญเขาก็จะรับไปแต่ท่าก็อยู่ในสภาพที่ในสภาพหนึงเขาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มารับบุญที่เราอุทิศไปแต่บุญที่เราอุทิศไปก็จะกลับมาเป็นของเราอยู่อยู่ดีคุณแคทครับ การที่เราเลี้ยงดูลูกให้เงินลูกใช้ซื้อทรัพย์สินให้หรือให้มรดกให้การศึกษาดูแลเขาเป็นอย่างดีเป็นคนเก่งและดีของสังคมถือว่าเป็นการทําบุญหรือเปล่าครับทําบุญแต่น้อยมากไ ม, ไม่ไม่เท่ากับการทําบุญกับผู้อื่นที่เราไม่รู้จักท่านทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้กับตัวเราทําให้กับลูกนั่นคือทำให้กับตัวเราเพราะเราถว่าลูกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นตัวเราของเราก็ว่าได้ ถ้าลูกทุกข์เราก็ต้องทุกกับเขาถ้าลูกสุขล้วก็สุขกับเขาก็เหมือนยังดูตัวเราเองถ้าเราดูดูตัวเรามีความสุขเราก็มีความสุขงั้นการการให้สิ่งของกับบุคคลที่เป็นลูกของเรานี่จึงไม่ได้บุญมากเท่ากับการทําบุญกับกับองค์กรต่างๆที่กับศาสนากับกับโรงพยาบาลกับโรงเรียนเพราะองค์กรเหล่านี้เท่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป ถ้าเราส่งเงินให้พ่อแม่ตามกำลังโดยที่ไม่ได้ตามใจท่านแต่ไม่ให้เดือดร้อนตัวเราเองนี้ถือว่าดีหรือไม่ครับการให้อย่าด้งเราก็ต้องมีจัรู้จักประมาณรู้จั ก, จกครับคนว่าผู้รับควรจะได้รับเท่าไหร่และผู้ให้คนยามีกำลังให้เท่าไหร่ก็ต้องมองทั้งสองสองส่วนบางทีอยากจะให้มากแต่ให้ไปแล้วเราเดือดร้อนอย่างนี้ก็ผิดนี่ ก็ให้พอประมาณพอให้เราไม่ไม่เดนียวต้อนจนเกินไปแล้วถ้าให้มากเกินไปบางทีผู้รับการจะไปใช้ในทางที่เสียได้ก็มีบางคนก็ไปซื้อสุราเนี่บางคนก็ไปเล่นการพรนันไปซื้อลอตเตอรี่อะครทำนองนี้ยานในอริยสัจสี่สามรอบสิบสองอาการมีความหมายว่าอะไรครับเราก็ไม่ได้ศึกษาเะื่องนี้นะ นนกกเพื่อนบอกบุญมาที่เราและบอกต่อให้เพื่อนทราบเพื่อร่วมบุญถือว่าเบียดเบียนหรือไม่ครับหรือว่าเป็นสะพานบุญครับการบอกบุญก็เป็นการแจ้งข่าวสารอนะไรหนเองว่าจะมีการทําบุญนะถ้าเราไม่ระวังคำให้เขาทาบุญก็ไม่เป็นการเบียดเบียน ถ้าเราพูดในเชียงวงเขาก็าต้องมานะต้องมาช่วยกันนะอย่างนี้จะเริ่มเบียดเบียนเัาแล้วแล้วแจกซองให้กับเขาเนี่ยถ้าจากซองนี่เหมือนกับปาป้นขเขาแนะครับถ้าที่จเป็นเป่วยก็เอาซองมายืมแทนอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการบอกบุญนะเป็นการป้นบุญนะจี้บุญนะคนที่เป็นบ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ก็ไม่มีสติกคนที่เป็นบ้าเขาไม่มีสติควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจควบคุมคําพคิดของตนการปฏิบัติเขาเพื่อปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทําให้จิตใจนิ่งสงบได้คุณนิจจรีครับเมื่อคืนเผลอเหยียบมแมลงสาบแต่ตัวเขายังกระตุกกระตุกอยู่กลัวเขาจะทรมานจึงเหยียบและแผ่เมตตาเดี๋ยวนั้นครับ ก็บาปพ่านัหนีย่าพั้งแราไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาแต่เหยียบครั้งที่สองที่มีเจตนาต้องการให้เขาตายอันเนี้บาปอย่าทําด้วยเจตนาอย่าทำาาด้วยความตั้งใจมันจะคิดว่าเป็นการลวนยาฆ่าก้าผิดนะก็เป็นบาปเหมือนกันคุณแฮมครับ เป็นคนคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วหุนหันพันแล่นแต่มาวิเคราะห์ตัวเองแล้วไม่ได้อยากทำตัวใจร้อนหรือแกล้งใครเลยสงสารรู้ผิดภายหลังบ่อยๆเราลองพิจารณาเจตสิกแยกฝ่ายกุศลอกุศลในแต่ละวันดูได้ไหมครับและพิจารณาเช่นนี้เป็นต้นครับคือก่อนจะทำอะไรให้เร า, เรามีสติรู้ทันว่าเรากำลังจะทำอะไรทำสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็ทำไปเลย <c oughs> ถ้าเป็นบางกุศลก็ควรจะรับทันทีให้มีสติรู้อยู่กับความคิดก่อนเพราะความคิดเป็นผู้สั่งให้มีการกระทําตามมาบริจาคเลือดมาห้าสิบแปดครั้งแล้วครับหวังทุกครั้งให้ผู้รับรอดตายอย่างนี้เป็นทานหรือจาคะครับบริการคำว่าทานกับจาระก็มีความหมายเดียวกันทานก็คือการให้จาระ ก, กคือการเบริจากเสียสละ สินสระสีงยงที่เป็นผู้มีคุณค่าราคาไปให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ผลแว่นครับคําสอนของบพระเจ้ามีมากถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าให้พระอาจารย์เลือกคําสอนเพียงหนึ่งเดียวที่ถือเป็นหัวใจของผู้ศาสนาพระอาจารย์เลือกคําสอนใดครับก็ธรรมจักรกับประวัตินาซูอันนี้เป็นพระสูตรอันแรกที่ทรงแสดงทธรรมบดพระปัจจาวคี ทรงสแสดงอริยสัจสี่มัดแปดตายรัก เ, เนื่หัวใจของาศาสนาพอสแสดงธรรมจบลงหนึ่งในภาพบัรจารคคีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเป็นป้าอริยบุคคลคนแรกในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าจะให้ใหเพิ่มอีกข้อนึงก็จะเลือกสติปัฏฐานสุข เพราะว่าปฏิปทา ส, าสูจะจะสอนวิธีการเจริญสตินั่งสมาธิจการเจริญปัญญาซึ่งในธรรมจักรยังไม่ได้สอนารายละเอียดเพียงแต่บอกให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับทานยาเยอะบางวันสิบห้าเม็ดเป็นโรคสะเก็ดเงินทั้งตัวอย่างนี้ต้องวางใจอย่างไรดีครับกับโรคครับก็ถือว่ามันเป็นกรรมของของเราที่ได้ร่างกายอย่างนี้มา ก็ต้องอยู่กับมันไปก็คิดว่าดีกว่าที่เราต้องตายไปยังอยู่ได้ก็อยู่ไปเรายัางสามารถทําความดีทําบุญทํากุศลได้ก็ใช้ร่างกายที่ป่วยนี้มาทําบุญทํากุศลต่อดีกว่าอยู่แล้วมาทุกข์มากังวลมาเศร้าโศกเสียใจแล้วไม่ได้ทําอะไรเป็นคนเป็นประโยชน์เลยคุณแฮมครับ สามารถปิดวาจาวางใจอุเบกขาได้แต่ชอบกั้นขำไม่อยู่และเผลอทําอะไรตรงข้ามกับความรู้สึกหรือควรแจ้งเขาไปว่าไม่ได้ยิงแค่อยากปรีดวิเวกบ้างคับใจเราไม่ได้บังคับใจไม่ได้ไม่ได้เกลียดใครใดๆเลยเต็มที่แค่ลาคาญกับน้อยครับก็ต้องฝึกสติให้มีมากขึ้นพอเรารู้ว่าเราจะทำอะไรที่เราไม่ควรทําแล้วก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเข้าไปหลงครับหน่ยก็ได้ ทำกรรมอะไรมาครับถึงได้ถูกฆ่าตายอย่างเจ็บปวดแล้วเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงครับคือช่วยเหลือใครช่วยเหลือคนที่ถูกฆ่าตายเลยนั่น ค, คนที่อั น, นี่ก็เป็นกรรมของเขาเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาอาจจะไปฆ่าคนอื่นมาก่อนาการนี้เขาเลยต้องกลับมาถูกเขาฆ่ า, าครับคุณเอ๊ะครับ การนมัสการครับคุณแม่อายุ78ไม่มีพื้นฐานการฝึกสติมากนักนอนไม่หลับเพราะฟุ้งซ่านหลวงพ่อแนะนําให้ฝึกอย่างไรที่พอจะได้ครับตอนนี้คุณแม่ฟังอยู่ด้วยกันครับก็คุณแม่ฟังเทศไปก็ได้ฟังเทศไปหรือว่าฟังพระสวดมนต์ไปก็ได้ท่านใจมีสติอยู่อาการฟังแล้วใจก็จะได้มีสติจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วก็จะนอนหลับได้นอนในขณะที่ฟังไปเลยก็มี บางคนก็ใช้การทําเทศทำธทํ า, ทาเป็นเหมญอนยนอนหลับออกความป๊บเดียวหลับเลยเพราะธรรมะเป็นของเย็นหมดส่วนบนเป็นของเย็นไม่ทําให้เครียดบางคนนั่งสมาธิมากแนละเรียกว่าฟุง้งครองสติไม่อยู่ไม่ควรทําหรือไม่ครับก็นั่งไม่ถูกไการนั่งสมาธิต้องไม่ฟุ้งให้สงบการยาสงบได้ไม่ฟุ้งก็ต้องเจริญสติก่อน ต้องมีสติกรอนและงบความคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆทั้งวันก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าไม่ฝึกสติแล้วมานั่งสมาธิจิตก็จะฟุง้งนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณรัจรีครับที่บ้านมีต้นโพต้นไทรใหญ่มากติดตัวบ้านจำเป็นต้องตัดออกเพราะ รากชัยเข้าตัวบ้านต้องทําพิธีขอขมาไหมครับเห็นสินแสบอกว่าถ้าจะตัดต้นไม้ต้องสร้างศาลเพื่อให้เทวดาจากต้นไม้ไปอยู่ที่ศาลจําเป็นต้องทําอย่างนั้นไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อ<ม>สำหรับ<ม> เ, รเรามันก็ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้จะตัดก็ตัดได้ไม่ต้องไปขออนุญาตจากใครถ้าเป็นของที่มันอยู่ภายใต้อํานาจของเราอยู่ในที่ของเราเรามีสิทธิ์ที่จะตัดได้เราก็ตัดไป แตถ้าเราเชื่อมีเทวดาอยู่แล้วก็จุดทูบเทียนสามดอกแล้วก็ขออนุญาตเทวดาก่อนว่าต้องขอย้ายท่านไปอยู่ที่นแล้วนี่ยตอนนี้ที่เราเนี้ไม่สามารถที่จะให้ท่านอยู่ได้แนละ้วก็ขอเข้ามาลาโทษไปถ้ามีความเชื่อแต่ไม่ต้องไปทั้งศาลาท่านไปสร้างอะไรเพื่อมาเอาใจเทวดาหรอกก็บอกเขาว่าแล้วกันว่ามันมันมีความจําเป็นจ่ต้องทํา <Okay. S 1> แต่จะมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้ไง ถ้าเราเชื่อว่ามีเราก็ทําไปเพื่อความสบายใจของเรามากกว่าตั้งเครื่องดักยุงไว้ครับยุงมาเข้าเครื่องดักยุงแล้วตายอย่างนี้เราได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างไหมครับก็เหมือนกับฆ่าเขาเลยเราไม่เจตนาที่จะให้เขาตายอมารีรัตครับโยมขอเป็นกําลังใจให้คน ให้คนดีเข้ามาเป็นปากเสียงแฟรชนแสดงตัวตนออกมาถูกต้องอ๋อถูกต้องไหมครับก็ทําได้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามันผลจะดีหรือไม่ดีถ้าผลดีก็ ก, ก, ก็ก็ดีถ้าผลไม่ดีก็ไม่ควรกระทำดูผลที่จะตามมามันอาจะทําทให้เราเจ็บเนือเจ็บตัวก็ได้ไปปรากฏตัวให้กลายเป็นเป้าของศัตรตูฝ่ายตรงข้ามเขาว่า จ, จะมาจ้องทําร้ายเราก็ได้ แต่ถ้าเรายินดีเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ทำไปมันก็มันก็ได้บุญได้กุศลบทสวดมนต์ก่อนนอนควรสวดบทไหนบ้างครับบทไหนก็ได้ที่เราจำได้ไม่ต้องแต่เราจเราจะได้ไม่ต้องเปิดหนังสือสวดบทไหนก็ได้สวดไปคุณบัญชาครับ ถ้านั่งสมาธิจิตละเอียดแล้วเกิดอาการมีความสุขตัวเบาจิตภายในมีแต่ความสุขแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับรักษาความสงบนั้นความสุขนั้นให้อยู่ไปนานๆให้อยู่ต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจเลิกทาสมาธิให้นั่งต่อไปให้นานที่สุดเท่าทีออ่จะนั่งได้นอนฟังคำสอนของพระหลับบ้างตื่นบ้างบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มันไม่เป็นการเคารพแต่ถ้าเรานอนฟังของเราตามลำพังนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปนอนฟังที่วัดพระท่านกำลัง น, นั่งเทศอยู่แล้วเราก็ไปนอนฟังนี้มันก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกกาลเทศะแต่ถ้าการฟังเทศที่ถูกบันทึกไว้ก็นอนนอนฝังก็ได้หรือบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราลุกขขึ้นมานั่งฟังไม่ได้แล้วก็นอนฟังได้ แต่การการฟังเพื่อให้เกิดความเคารพนี้ต้องฟังในท่านนั่งมุ่นท่านนั่งเทศได้แล้วกนงนั่งฟังได้ทันี้เป็นการแสดงความเคารพในผู้แสดงและในธรรมที่ท่านแสดงด้วยสวดมนต์ทุกเช้าเย็นจะเป็นผลดีต่อตนเองและเรียกว่าเป็นการสร้างบา ร, รมีใช่หรือเปล่าครับ ดูผลที่เกิดจากการสวดว่าจิตใจเรานิ่งสงบมากขึ้นหรือเปล่ามีสติมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามากขึ้นมีสติมากขึ้นจิตนิ่งสงบมากขึ้นก็เป็นผลดีเป็นบา ร, รมีคนเราต้องถือศีลกี่ข้อดีครับยังตามว่าห้าข้อเริ่มต้นที่ห้าข้อก่อนศีนลห้าเราพอรักษาศีลห้าแล้วต่อไปก็มาฝึกรักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ ลูกๆไม่ส่งเงินให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่มีใช้จ่ายอย่างนี้ลูกบาบไหมครับไม่บาบแต่ไม่ได้บุญถ้าเห็นจะได้บุญก็ส่งไปมากน้อยก็ส่งไปท่านจะมีมากไม่มากแล้วเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของเราเราต้องการจะทําบุญกับพ่อแม่เราก็ต้องส่งเงินไปให้ท่านทดแทนบุญคุณท่านที่ท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาแทบเป็นแทบตาย วิธีฝึกสติต้องทําอย่างไรครับกลจิตเราเริ่นึกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกามพุโทโธให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรือๆอันนี้ก็เป็นการฝึกสติหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็เป็นการฝึกสติโดยใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของของสติรับรู้หรว่าถ้าใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธเป็นที่ตั้งของสติสติรับรู้อยู่กับคําว่าพุโทโธ การกระทําอย่างนี้จะทําให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เมื่อใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้านั่งเฉยๆได้ก็ดิจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้คุณเฟื่องครับเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นจําได้ว่าทุกอย่างเงียบไปหมดได้แต่ถามตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ไหน จนสักพักรู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองประสบอุบัติเหตุหากตายตอนนั้นจิตจะไปไหนครับแต่นึกพูดโทรสลับกบสงสัยว่าอยู่ไหนครับมันก็ไปตามบุญตากมกรรมของเราาบุญมากกว่ามันก็พาเราไปสุขติถ้าบาปมากกว่ากำลังมากกว่ามันก็พาเราไปสู่ทุกขติคุณแม่อายุ77ชอบด่าชอบพูดสอดเสียดบุญก็ไม่ชอบธทำไม่ชอบเลยครับ ก็เป็นกรรมของท่าน mm hmm. เป็นนิสัยที่ท่านติดตัวมาชาติก่อนท่านเคยทำอย่างนี้มาก่อนก็เลยติดตัวมาท่านต้อมาอยู่กับบุคคลแลือกลุ่มสังคมที่ไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของท่านได้แต่ถ้าถ้าถ้าท่านได้ไปอยู่ในสังคมที่มีที่พอต่อจรินิสัยของท่านท่านก็จะไม่เปลี่ยนและไม่จะทำไปตามความรู้สึกและคิดตามที่ท่านเคยทํา คุณพานิดาครับนั่งภาวนามีเวทนาทางกายรู้สึกร่างกายหนักมากขึ้นจนทนไม่ไหวช่วงใกล้ครบชั่วโมงขอคําแนะนําจากอาจารย์ได้ครับตอนนั้นก็อย่าไปดูอย่าอย่าไปตามอย่าไปสนใจกับความเวทนาที่เกิกดขึ้นให้มันเพิ่มสติให้มีกําลังมากขึ้นด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งรวมๆนะอาจารมีกําลังไม่ออกก็เปลี่ยนมาใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะครบชัว่วโมบุญคือความสบายใจอย่างพ่อแม่บริจากร่างกายท่านถามว่าเกิดมาแล้วจะครบสามสิบสองหรือไม่ครับการบริจากร่างกายไม่ได้ไปทำให้น้ำกายของพบน้าชานหน้าขาดหายไปไหนก็ไม่ไม่เกี่ยวกันการบริจากร่างกายความจริงก็ยังไม่ได้บุญเพราะถ้าจะได้บุญต้องบริจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องให้เขาก็ให้เอาวัยวะที่เราใช้อยู่นี้ไปให้กับผู้อื่นเช่นลอยจากเลือดนี้ยเราก็จะได้บุญทันดีหรือยจากไตไปข้างหนึ่งโดยจากดวงตาไปข้างหนึ่งนี่อันนี้เราจะได้บุญเพราะเรารู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักเราหวงไปให้กับประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเราก็จะเกิดบุญขึ้ความสุขใจเอ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเวลาตายไปแล้วเราจะไม่รู้ว่าเขาเอาร่างกายของเรานี้ไปให้ใครบ้างไปทําประโยชน์อย่างไรบ้าง เราก็จะไไม่ได้บุสติปฐานสี่เราควรปฏิบัติทำทีละอย่างเช่นกายก็ดูกายไปเรื่อยๆหรือสามารถทำพร้อมกันโดยกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นชัดสุดณนะเวลานั้นเช่นดูกายอยู่แล้วเวทนาเกิดมากกว่าให้มาดูเวทนากรณีแบบนี้กรณีแบบไหนถูกต้องครับไม่เถูกเรา ว, วิธีที่เถูกก็คือมันเป็นสามขั้นตอนในสติปฐานขั้นตอนแรกท่านสอนให้เราฝึกสติก่อน ให้เรารู้สติให้มีสตินุโยกการเคลื่อ น, นไหวทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้ใจลอยไปไปกับเรื่องนี้เรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายเข้าดูอยู่ร่ากับร่างกายไปทั้งวันทั้งคืนพอรามีสติแล้วบวชวาร า, นามนนั่งสมาธิก็เปลีนมาดูลมาหายใจเข้าออกแล้วก็จิตจะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ฌานสี่ในอุเบกขา เมืได้สมาธิชำนาญทางสมาธิแล้วมาค่อยไปศึกษาทางปัญญาศึกษาถึงธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นยังไงเป็นั้นนิจจทุกข์ทุกข์อนัตตาหรือเปล่านะต้องศึกษาไปทีละอย่างศึกษาเมื่อเห็นว่าเป็นอ น, นิจจทุก์ทุกข์อนัตตาจะได้ปล่อยวางดังนั้นไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันมีมันมีทิศทางของมันที่เราไปฝืนไม่ได้ห้ามไม่ได้ร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นต้น เราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปฝื่ความจริงของร่างกายอันนี้พอปล่อยร่างกายได้ก็ศึกษาเวทนาปล่อยเวทนาได้เห็นเป็นตายรักก็ปล่อยไปแล้วก็ไปศึกษาจิตอีกทีหนึ่งมันเป็นสามขั้นด้วยกันสามขั้นปัญญานี่แบ่งเป็นสา ม, สามวิชาวิชากายวิชาเวทนาวิชาจิตที่เราจะต้องศึกษาให้เห็นว่าเขาเป็นตายรัก เพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับเขาแต่ก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้เราต้องมีมีสตินั่งสมาธิให้จิตโวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนอยากทราบเรื่องจิตสุดท้ายครับจิตสุดท้ายไม่มีจิตไม่มีวันสุดท้ายไม่มีวันเกิดวันดับไนอะ้ที่ดับก็คือร่างกายเนัแต่จิตก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมแล้วจิตจะไปต่อก็อยู่ขอบุญกระ บ, บาปที่จะพา พาไปทิศทางไหนถ้าบาตมีกําลังมากมาก็พาไปสู่ทุกขติไปเกิดในอาบายถ้าบาุญหนึ่งกำลังมากมาก็พาไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆจนการอทธิพลอิทธิพลของบุญของบาตรหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คุณเ M MM อครับโยมฝึกสติเรียนรู้สภาวะธรรมที่เกิดตอนนี้เริ่มเรียนรู้พื้นฐานอภิธรรมเพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น เมื่อก่อนการปฏิบัติมันมีเป้าหมายช่วงหลังๆมันไม่มีเป้าหมายในการปฏิบัติครับทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยการปฏิบัติก็ต้องมีเป้าหมายในการเรียนหนังสือเนี่ยจะเป็นหมอ้องมีเป้าหมายต้องเรียนวิชาไหนบ้างไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายไม่อยากจะเรียนวิชาไหนก็เรียนแล้วมันจะครบหลักสูตรได้ยังไงต้องมีเป้าหมายของการปฏิบัติ เนี่ยสติปัฏฐานทัานกแสดงเป้าหมายไว้สาสามเป้าเป้าแรกก็คือการเจริญสติอันที่สามก็คือการนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิเป้าที่สามกอเจริญปัญญาให้เห็นตายรับในกายวิทนาจิตเพื่อจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปทุกข์กับเขากลัวผีจนนอนไม่หลับครับจะแก้ไขยังไงดีครับอย่าไปคิดถึงมื่อไหร่ เนี่กความกลให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เนยส่วนส่วนเิงที่ไปเสวไปนันส่วนพุทธทางซาลังกชามิทำมังสาลังกชามิไปเรื่อยจกว่าจิตสงบความสมบแั้จิตเนิ่เนื่อมผีไปความกลัวก็หายไปคุณมาลีรัตน์ครับ โยมได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแก้วที่สนามหลวงไปกันหลายคนเลยไม่ได้นั่งภาวนาเลยคิดว่าจะไปอีกครั้งไปคนเดียวและไปสวดมนต์นั่งภาวนาด้วยดีไหมครับขอพลังพระอาจารย์เจ้าครับนั่งที่บ้านก็ได้ในให้องนอนเราเล่นเลยไม่นอนเดินทางไปให้ไกลให้ไหมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปนั่งต่อหน้าใครมันอยู่ที่ว่าเรามีสติทําใจควบคุมใจให้เราสงบได้หไหมั่างี้ ไม่ต้อง เ, เดินทางไปนี่อยายังไม่รู้ไปเลยเก็นั่งที่กุฏิเราเนี่ <c oughs> บางคนน้องไปถึงประเทศอินเดียไปนั่งที่ต้นต้นโพอันนี้เป็นเรื่องอุปทานความเชื่อคิดว่าถ้าได้อยู่ไกลสุดส่วนใหญ่พระพุทธเจ้ า, าจะทําให้เรา <c oughs> มีกําลังมีศรัทธามี ส, มสติเอาทีันไม่ได้อยู่ยสถานที่เหล่านั้นหรอมันอยู่ที่ว่าเราสามารถฝึกสติให้อยุดความคิดได้หรือไม่ <c oughs> สวดมนต์ทุกคืนแต่ไม่ได้นั่งสมาธิเพราะกลัวครับทาอย่างไรดีครับก็ <ś c oughs> สมาธิไม่ขอไปคือการนั่งสมาธินีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้ามีสติคอยควบคุมใจถ้านั่งแบบไม่มีสติทางนั้นอาจจะเป็นภัยต่อจิตใจได้เพราะถ้านั่งแล้วไม่มีสติควบคุมเหนือใจก็จะ ผลิตภาพหรืรออะไรมาหลอกล่อใจได้แต่ถ้าเรานั่งโดยมีสติตามหลักแนวที่พระเจ้าส่งสอนฉะนนมีสติอยู่กับลมาหายใจเข้าออกนี่จะไม่มีอะไรน่กากลัวปรากฏให้เราเห็นเลียวถ้ามีสติอกับพุทโธบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ผลประโยชน์คือใจะจะว่างใจเย็นจะสงบจะมีความสุขฉั้นไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้ารู้จักวิธีนั่งที่ถูกถู ก, ถ, กถูกต้องแล้วจะไม่มีปัญหาตามมา คุณนัทพัฒน์ครับคนมีอายุเบียดเบียนทางวาจาใจตอนแรกโมโหตอนหลังเฉยๆมองไปว่าสงสารแล้วก็ยังช่วยเหลือเขาเพราะเรามีมากกว่าจึงเสียสละให้ได้บุญไหมครับได้ถ้าเราเสียสละให้เขาแล้วให้อภัยเขาให้ความเมตตาขเขาไม่โกรธเขาความโกรธนี่มันเป็นบาปมันทําให้เราไม่ได้บาปบาปสังใจเลวลาโกรธนี่มันทําให้เราทุกข์พอเรา ให้อภัยเขาได้เป็นกอดเขาแล้วก็ได้บุญด้วความสงบความสุขใจขึ้นมาครับคุณแม่เสียชีวิตแต่เราทาบุญฝากไว้ให้แม่ถ้าแม่เสียชีวิตแล้วได้บุญที่เราฝากไว้ให้ไหมครับ <c oughs> คือการทําบุญแต่ละครั้งนี่เราส่งไปได้เลยไม่ต้องไปฝากไกลส่วนท้ยายจะรับได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สถานะภาพของมัน ทำไมเราจึงไม่ควรคิดเรื่องกรรมวิสัยหรือวิสัยของกฎแห่งกรรมครับคิดได้ให้เรารู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรทำบุญแล้วได้อะไรทำบาปแล้วได้อะไรคิดได้ไม่ได้ห้ามให้คิดคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ทุกๆวันจะเปิดธรรมะให้ฟังและก่อนนอนจะนำให้ท่านระลึกถึงพระรัตนตรยัยแบบนี้มีผลไหมครับก็ถามท่านดูเสียท่านจาได้ไห มันจำได้ก็มีผลมันจำไม่ได้ก็ยังไม่ได้ผลคุณทัศครับขอข้อธรรมะเวลาโดนคนอื่นปรามาตครับก็ห <c oughs> <c oughs> ้ามเขาไม่ได้ล้วห้ามปากเขาไม่ได้เขาจะชมเราแล้วก็จะด่าเราเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาเราไม่มีอำนาจที่จะไปห้ามเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาห้ามใจเราอย่าไปทุกข์กับเขาอยอมรับกับความ อย่างรับประการพูดของเขาจะจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็จะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปคิดว่าเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องก็แล้วกันหรูอเสียงสุนัเขเห่าสุนักมันจะเห่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยมันเห่าไปถ้าเราไม่อยากจะฟังเราก็เดินหนีไปนนเมื่อพอสิ้นลมดวงจิตจะยังอยู่ในพภพภูมิมนุษย์อีกเจ็ดวันจริงไหมครับไม่จริงหรอกอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่จะ น, นึ่งไปทันที ไม่ว่าในกรณีบางกรณีที่อาจจะมีความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ยังอาจจะไม่ยังไม่ได้ไปตามบุญตามบาปก็ได้ฝันเห็นหลงปู่หลวงพ่อมีความหมายอย่างไรไหมครับไม่มีหรอกมัเป็นความฝันอย่างเ ผู้ชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดไปว่าเขาลําบากจึงให้ทานเป็นเงินไปและมีผู้มาทัดทานไม่เห็นด้วยคนที่ทัดทานนั้นเป็นบาปไหมครับไม่บาปครข้าเจ้าไปได้ไม่ได้บุญจากการอนุโมทนาเช่นชมยินดีกับการทําบุญอยู่แล้วคุณจินนี้ครับโยมพยายามรักษาศีลห้าสวดมนตและพยายามระลึกพุโทโธพุธโทโธอยู่กับปัจจุบันรู้สึกสงบและใจเป็นสุขมาก แต่บางครั้งคนรอบตัวก็เป็นเหตุให้ศีลด่างพร้อยและเศร้าหมองจะต้องทำอย่างไรครับก็พยายามห้ามจิตใจยอย่าไปทำสิถ้าเรารู้ว่าเราจะทำบาปเราก็ต้องอห้ามจิตใจใช้คา บ, บริกรรมพุโทโธให้หยุดมันก็ได้ขณะหยิบของใส่บาปภาวนาพุโทโธไปด้วยได้ไหมครับหรือควรวางจิตใจยอย่างไรครับ คนเะวาจิตใจอยู่กับการกระทำของเราจะดีกว่าใส่บาตรที่ได้ใส่ถูกที่บางคนให้ใส่ของเงินฝาบาตรครับไปใส่ในบาตรบางคนให้ใส่ทองในในบาทกคับไปใส่ในฝาบาตรเมื่อเช้านี้ก็มีคนตักข้าวใส่ฝาบาตรให้เราแสดงว่าไม่ไม่มีสติอาจจะพูดโทพูดโทอยู่แล้วมนรู้ว่าคนจะใส่อะไรไว้ที่ไหนธรรมดาจะให้ใส่ข้าวในในบาทแล้วส่วนกับข้าวจะให้ไว้ใส่ไว้ในฝาบาตร เขากับสลับกันครับนี่แสดงว่าไม่มีสติอายกำลังท่อพุทโธพุทโธอยู่ในใจก็ได้บางคนเขาตื่นเต้นเวลาเจอพระจารย์นะครับบางครั้งนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกกลัวแล้วหัวใจเต้นแรงมากครับควรจะทําอย่างไรครับกลับมาพุทโธพุทโธทําพุทโธพุทโธ ลูกต้นไม้เยอะมีมดมแมลงในต้นไม้จํานวนมากเรารดน้ําต้นไม้ทุกวันมันก็ตายทุกวันอย่างนี้บาปไหมครับไม่สราบรดน้ำยังไงต้องตายถ้ามันอยู่ต้นไม้เรารดนรล้ลงไปที่ดินสิรดลงไปที่ดินมันก็จะไม่ตายหรอก <c oughs> ถ้ามันคิดว่ามีมดเราก็ปล่อยน้ําอย่าไปฉีดมันปล่อยให้น้ํามันซึมเข้าไปในมันก็ไม่ตายต้องรู้แต่วิธีทําให้มันไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ กุหลาบครับการเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ต้องทําหรือเป็นความเชื่อหากเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วไม่ได้ทําจะเป็นอะไรหรือไม่ครับไม่ต้องทําหรอกมันเป็นความเชื่อดวงวิญญาณเชิญไม่ได้เขาไปของเขาแล้วดวงกระ บ, บาดเป็นผู้เชิญไปครับได้ฟังธรร ม, มพระอาจารย์แล้วคิดว่าไม่อยากขอเพียงขยันทําตลอดเวลาและมีสติทุกอิริยาบถ แต่ที่ยากคือการหาทางหลุดเครึ่งร้อยรัดทางโลกที่รัดแน่นมากเราควรค่อยๆทาไปก่อนใช่ไหมครับก็พยายามเจริญสติพัฒนาไปเรื่อยๆให้มีกําลังมากขึ้นเจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุก อ, อย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่อข่าววันหนึ่งเราต้องจากสิ่งต่างๆที่รัดเราอยู่ทางนี้ไปพอนห็นว่าเอขาไม่เที่ยงแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นไป ตั้งแต่มาอยู่ต่างจังหวัดใส่บาทน้อยมากเน้นทําบุญทางออนไลน์ได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันทําได้สมัย น, นี้เราโชคดี ม, มีมีการสื่อสารสามารถโ อ, อนเงินทำได้คนอยู่ต่างประเทศก็ทําบุญกันแทบทุกวันก็นมีที่ฝากหน้าคาที่เขาใส่บาทให้มีจากหลายประเทศด้วยกัน กอและขอเป็นญาติกันชวนกันเรียนอภิธรรมต่อมาโกรธกันกอห้ามขอไม่ให้เรียนต่อให้ย้ายสำนักขอไม่อยากย้ายเพราะสำนักนี้สอนเข้าใจง่ายกอผู้ห้ามเรียนธรรมะบาปไหมครับการไม่ห้ามพู้ให้เขาทำความดีมันไม่บาปแต่มันเป็นการเป็นเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำควรสนับสนุนให้เขาได้ทําความดีจะดีกว่าเพราะคนทําความดีนี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร การที่อดีตสิบพูดจาด่าทอหยาบคายกับคนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นครูบาอาจารย์ควรวางใจอย่างไรครับเออถ้าเป็นอาจารย์ท้ายก็เฉยเท่านั้นหองถ้าเป็นอาจารย์ท้ายก็รู้ว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้มีสรรเสริญมีนันทาเป็นธรรมดายายเขาสรรเสริญไปตลอดไม่ได้วันดีขึ้นดีเขาก็จะเปลี่ยนจากสารรเสริญมานินทานเราก็ได้ พระอาจารย์เคยได้สนท น, นากับหลวงปู่ลีบ้างไหมครับสมัยอยู่วัดป่าบ้านตาตอนนั้นพระอาจารย์ทราบหรือไม่ครับว่าท่านบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้ค่อยสนท น, นากับใครเลย<ม>พูดเรามจริงเพราะว่าจะสนใจกับการปฏิบัติอยู่แต่เพียงอย่างเดียวพอไม่ได้ทํากิจกับใครก็<ๆ>จะไปเดินจยกรมนั่งสมาธิของเราเวลาทํากิจก็คุยกันไม่ได้อยู่ดีก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันบางทีทํากิจนู่นกันตอนตอนบ่ายตอนเย็นเวลาไปทำ ทำความสะอ า, าส า, าราก็ไปช่วยกันทับกันหลว ง, งปู่เล็กทำหลวคนช่วยกวาดช่วยทําความสะอาดนนส า, าราเพราะบาพระก็จะแบ่งหน้าที่กันบางองค์ก็ไปกวาดรอบบริเวณส า, าราบางคนก็ขึ้นสาราบางคนก็หนังทำหน้าที่แตไ่ไม่ได้คุยกันถ้าอยากจะคุยกันต้องไปกราบท่านที่ที่กุฏิของท่านหลวงตาท่านกไ็ไม่สนับสนุนไม่ให้พระไปคุยกันาตามกุฏิให้ยากกันอยู่ให้ปฏิบัติ โอกาสที่ได้คุยกับพระลูกๆต่างๆในวัานนไม่มีเลยไม่เคยไปหา ก, กับใครไม่เคยคุยกับใครเลยถ้าเราทำบุญแล้วอุทิศให้กับพระเทวทัตที่อยู่ในอเวจีมหานรกพระเทวทัตจะสามารถมีโอกาสรับส่วนบุญได้ไหมครับรู้สึกสงสารครับ อ๋อถ้าท่านไม่ได้มาเป็นเปรยังรับไม่ได้ถ้าท่านยังติดคุกติดตารางอยู่เป็น น, นายนนัเงีบยวก็ยังรับรับบุญไม่ได้ต้องรองให้ท่านออกจากนั่ลบมาแล้วมาเป็นเปรตก่อนยิ่งภาวนาทําไมยิ่งไม่ค่อยจําอะไรสมองโล่งๆทำภาวนาแบบนี้ถูกทางอยู่ไหมครับความจรงิงการภาวนาที่ไม่ได้ทําให้ความจำเสื่อมแต่อย่างใดอาจจะเกิดจากสาเหตุอือ่นก็ได้ คนที่ภาวนาดีนี้จิตใจคอามจำจะดีกว่าเสียด้วยซ้นไปคุณอุศรีครับโอนเงินให้แม่ค้าจัดอาหารใส่บาตรให้แทนแล้วจะได้บุญเต็มร้อยไหมครับเราอุทิศบุญได้ตามปกติไหมครับได้ไม่เต็มร้อยสิ่งที่เราไม่ได้กนะ็คือบุญที่เกิดจากการทําความเพียรการใส่บาตรของเราเองแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละน้อยซื้อของใส่บาตรนี้เป็นของเราทั้งหมด นะครับเขาเพียงแต่ทำช่วยเราใส่บายให้กับเราเท่านั้นเองันซึ่งเราเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่ก็เป็นบุญส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบุญที่เราได้จากการทําบุญบริจาคกันนี้ได้ได้บุญส่วนใหญ่ไปผู้ไม่ชอบเข้าวัดหรือทําบุญแต่มีจิตที่ช่วยเหลือผู้อื่นยามเจ็บป่วยอย่างนี้ถือว่าเป็นอย่างไรครับก็เป็นผู้ที่มีมีความตระหนักความสงสารมีความเมตตา ถ้าได้ช่วยเหลือเขาก็ได้บุญเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือกับวัดกับกับภาพเพียงอย่างเดียวช่วยเหลือกับคนที่ตกทุกข์ทัยากก็ได้บุญเหมือนกันคุณเกฟครับบอกว่าวันนี้ผมขับรถไปฟังท่านอาจารย์เทศธรรมะน้ากุติเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่งครับผมนั่งสวดมนต์แต่ปวดหลังผมสามารถนอนสวดมนต์จะบาปหรือเปล่าครับ ไม่บาปหอเพียงแต่ว่าอาจจะสวดได้ไม่มากอาจจะหลับไปก่อนก็ได้เพราะในท่านอนมันสบายก็จะไม่ได้สติการสวดมนต์เนี่ยเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อควบคุมใจให้นิ่งให้สงบแต่พอเราอยู่ในท่านอนนี้มันสบายสติที่เคยมีอยู่มันก็จะอ่อนลงแล้วสวดไปแป๊เดียวสติก็จะหมดก็จะหลับไปก็เลยขัดกับเจตนาของการสวดมนต์การสวดมนต์นีน่นนเพื่อการฝึกสติจเจริญสติ การนอนสมาธิจนหลับดูลมหายใจถือว่าได้ได้ไหมครับได้แต่ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรอย่างไรไจะทําให้นอนหลับได้ครับตอนหลับถ้าไม่ฝันเลยจิตเราหลับด้วยไหมครับคือจิตเราคำว่าหลับมันมันมันไม่มีหล้วมันจิตมันตื่นตลอดเวลามันอยู่ที่ว่ามันปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่ง ถ้ามันปรุงแต่งก็ฝันถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ฝันได้เลยตักบาตรเช้าทุกวันอธิษฐานให้พ่อกับแม่ที่ตายจากไปนานแล้วทั้งสองท่านจะได้อานิสงส์ผลบุญไหมครับถ้าท่านรอรับอยู่ก็ได้ถ้าท่านไม่ได้รอรับอยู่ก็ไม่ได้คุณวีระวัลครับถ้าคนแก่พูดไม่ดีเอาแต่ใจพูดแต่เรื่องไม่ดีให้คนอื่นเขาคนนั้นเป็น เช่นไรครับก็เป็นนิสัยของเขาก็เป็นกรรมของเขาเขาพูดดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเขาพูดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลตลอดเขาแล้วเองคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพูดของเขาไม่ได้รับผลกับการพูดของเขาใครทํากรรมบันดาวัลก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ได้เป็นคนพูดครับแต่ทําดีถ้าทําทําอย่างนี้นับถือทุกาศาสนาจะดีไหมครับ ศาสนาก็มีม า, ส, าสอนให้คนกระทำสิง่งต่างๆในบงศาสานาคำสอนก็อาจจะต่างกันไปถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาแล้วทำให้เรามีความสุขความจเจริญได้ก็ทำไปเพราะศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นสอนให้คนมีความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนกัน สภาวะจิตกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอย่างไรครับก็คือจิตจิตที่สงบนะจิตที่นียธรรมก็คือสติคอยควบคุมใจเมื่อมีสติควบคุมใจแน่เตณติการจิตก็สงบเนเย็นสบายถ้าไม่อยากเวียนไหวตายเกิดแล้วหนูต้องทําอย่างไรบ้างครับช่างก็คือไป บ, บวชไปบวชเพื่อปฏิบัติธรรม อจารยสติสมาธิปัญญาคุณสิริพงศ์ครับได้พิจารณาตามที่าอาจารย์สอนคือหาอะไรมาได้สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีเลยลดกิเลสลงได้เยอะเลยเข้าใจว่าคนทั่วไปที่ไม่พิจารณาความตายใช้ชีวิตประมาทมากผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องช้ีวิตไปเสียประโยชน์เสียเวลาเพราะสิ่งนี้หามาทบเป็นแทบตเอาติดตัวไปไม่ได้น่อย ส่วนสิ่งที่เาติดตัวไปได้นะกับไม่หากันสิ่งที่เราติดตัวไปได้ที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันจะให้ความสุขกับใจปกป้องใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆใส่บาตรแล้วกรวดน้ําให้เทพพญดาเจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษหลายๆคนท่านจะได้รับไหมครับผู้ที่มาแล้ได้ก็คือพวกที่เป็นวิญญาณที่เลื่อนมาเปรตเท่านั้น ในวลาเขาก็มีบุ่นมากเขาไม่ต้องมารอรับส่วนบนของใครถ้าเป็นมนุษย์เขาก็ไปหาความสุขของเขาได้เองงั้มีพบเดียวชาติาเดียวพบเดียวที่จะมารอรับส่วนบนก็คือพวกเปร่แต่เราก็สามารถที่ให้กับเขาได้ถึงแม้เขาจะไม่ไม่ใช่เป็นญาติของเราหรือเป็นคนที่เรารู้จักแล้วก็สามารถแให้กับทุกเปร่ได้คุณมาลีครับ จริงหรือเปล่าครับคนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีโดยไม่รู้ตัวแล้วจะวนเวียนอยู่บริเรณที่ตายไปไหนไม่ได้สองสาวันก่อนที่อุบัติเหตุรถชนคนตายอยู่ใกล้บ้านกลัวมากครับจะอยู่หรือไม่อยู่มันอาจจะอยู่ที่นรื่อุ ป, ปทานความยืดมั่นของจิตเขาถ้าจิตยืดมั่นกับอะไรไว้มากก็าอาจจะเข้าก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เขายึดติดอยู่แต่ถ้าเขาไม่ยึดติดกับอะไรไม่มีความยึดติดผูกพันมากตายไปเขาก็ปล่อยให้อำนาจบนบาบาส่งเข้าไปต่อ ญาติเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนพาศพกลับบ้านไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์เพราะช่วงดึกวิญญาณจะตามกลับไปบ้านได้ไหมครับไม่ตาไม่ตามวิญ ญ, ญาณเขาไปตามบุญตาบ่าวของเราพาเขาไปเชิญเขามาไม่ได้ใครก็เชิญเขามาไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อทำกันไปพอก็ทำกันแนละ้พราะไม่ทำว่าจะกลัวว่าจะเป็นจะเป็นไปตามที่เชื่อไปมันไม่มันไม่เกี่ยวกันบุญดวงวิญ ญ, ญาณนี่อยู่ภายใต้หน้าของบุญของบาปนะ พอเราตายไปป้อมเนี่ยบุญกบะเป็นผู้จะมาจัดการมันจับสับเปลนจะมาจัดการกับร่างกายของเราบุญกบาะก็จะมาจัดการกับดวงวิญญาณของเราจะพาให้เราไปทางสวรรค์หรือไปทางอับอายคุณบีครับพ่อบอกไว้ว่าถ้าป่วยแล้วอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจให้ถอดสายออกเราเป็นลูกควรทําอย่างไรครับทําตามที่ท่านสอนท่านบอกเ่ยมันชีวิตของท่านท่า น, นาการต้อจัดการรักษาก็ ก็ยุดการรักษาไม่เป็นการฆ่าตัวตายแตย่ทำได้ทำได้ถ้าเราร่วมอนุโมทนากับคนอื่นที่เขาไปทําเราได้บุญด้วยไหมครับเราไม่ได้บุญจากการเสียสละแบงค์ทางนั้นไปทําได้เพียงแต่ได้อนุโมทนาก็คือชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเขา มีคนทําให้เราทุกใจโดยที่เราไม่ได้ทําผิดเขาจะบาปไหมครับหรือเขาจะได้ผลแห่งกรรมอะไรไหมครับถ้าเขาไม่มีเจตนาไม่บาปหรอกถ้าเขา ม, มีเจตนามีความตั้งใจถึงจะบาปนอนไม่เคยฝันเลยปกติหรือเปล่าครับก็เป็นเป็นเรื่องปกติสำหรับคนบางคนบางคนก็ฝันมากบางคนก็ฝันน้อยบางคนก็ไม่ฝันเรื่องฝันแล้วแต่อาจจะจําไม่ได้ก็ได้ พอตื่นขึ้นมามันก็หายไปวั บ, บไปอเลยเองหมาที่ตายจะไปตามบุญตามบาปของเขาเช่นเดียวกับคนไหมครับเช่นเดียวกันปฏิบัติแล้วอึดอัดที่ใจยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์ตอนนี้เจอสภาวะเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเลยครับไม่มีสติต้องฝึกสติให้มากๆ ม, มีสติแล้วจะจะควบคุม การเห่านี้ได้แม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาปเปรียบคนอื่นทำผิดกฎหมายถูกศาลฟ้องเรื่อยๆและถูกตัดสินเป็นผู้ผิดชอบทำปานาติบาและสอนให้เราทำตามแต่เราไม่ทำและเราอยู่กับแม่แล้วไม่สบายใจจึงเข้าไปเกี่ยวข้องแค่เท่าที่จำเป็นแต่ให้เงินแม่ใช้เยอะมากแต่เราเก็บไว้ใช้เองนิดเดียวทำดีแค่ไหนแม่ยังมองเราในแง่ร้าย ควรใช้ปัญญาอย่างไรครับก็เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาคิดแบบนี้ก็เหมือนกับเขาเป็นกล้วยแล้วเราอยากให้เขาเป็นส้มอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้เราอยากใช้เขาเป็นอากอย่างหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปอยากเปลี่ยนเขาก็ยอมยอมรับความเป็นจีนของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปส่วนเราเราก็ทำความดีของเราไปก็ก็ดี ให้เงินพ่อแใช้ก็เป็นการการสดเความกตัญญูกตวเวทีก็ไม่ไม่รบนเสียหายอะไรปัญหาเราอยู่ที่เราอยากจะเปลี่ยนท่านอยากใช้ท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านเองนั้นอยา่าอ ย, าอยา่าประหยัดตรงนี้นอกจากเราจะไม่ทุกข์ไปช่วยทําความสะอาดหอฉันที่วัดถือเป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งไหมครับเป็นก็เป็นการรับใช้ผู้สังคม จสมีแม่ชีที่เป็นโสดาบันบอกให้เราฆ่ามดเพราะไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นสตัตว์มีคุณน้อยแต่เราไม่อยากทำเลยไม่กลับไปสนักอีกโสดาบันท่านนั้นบอกว่าเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเยอะเรื่องมดจริงไหมครับไม่จริงเรายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องการฆ่านี้ไม่ว่าจะกรณีใดก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำ แม่เสียชีวิตไปเกือบสิบปีแล้วไปเกิดหรือยังครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่บุญกับบาปของเขาว่ามันหมดหรือยังถ้าบุญกับบาปหมดเนี่ยที่ผลที่ทำให้เขาอยู่ในสวรรค์และอยู่ในอาบาล <c oughs> เขาจะมาลองเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคุณนรกรครับอยากทราบอนิสง์ของการถวายลงศพครับก็เป็นทางอย่างหนึ่งเหมือนกับการให้ ให้เสื้อผ้าให้รองเท้าให้อาหารเนี่มก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเราตั้งใจทํางานแต่ก็ยังกลัวผิดทําให้งานเข่าช้าลงเราควรใช้หลักธรรมข้อใดในการปฏิบัติให้มีความมั่นใจครับเราก็ต้องดูว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังค้าได้หรือไม่ถ้าเราควบคุมบังค้าไม่ได้เราก็ต้องปล่อให้มันไปตามตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเราไปอยากมันก็จะทำให้เราใจไม่สบายได้ใส่ซองทำบุญงานขาวดำได้บุญไหมครับงา น, นสบช่วยงานขาวดำเนี่ยได้ได้ไดสวดมนต์บทสั้นตามหนังสือสวดมนต์ทุกวันบุญกุศลจากการเจริญภาวนา น, นี้จะส่งผลบุญให้ลูกชายที่เสียไปได้ไหมครับไม่ได้หรอ มีสุนัขที่เลี้ยงไว้เขาชอบไปกัดแมวชาวบ้านประจําดูแล้วเขายังทําอยู่เราบ่าวมากไหมครับการไปดุสุนัขมันก็ไม่บา่าวเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาไปห้ามเขาไม่ให้เขาทําผู้ชายที่บวชเนนบวชพระมีกําหนดไหมครับว่าบวชได้กี่ครั้งครับอในสมัยพุทธการก็บวชครั้งเดียวบวชแบบไม่เสอืม ในสมัยนี้บวชกันมันเป็นของสนุกไปบวชบวชหน้าไฟกันเอาพี่น้องคนนั้นตายก็ไปบวชให้เ้าหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วก็เสร็จออกมาเนี่ยมีคนตายใหม่ก็ไปบวชใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นการบวชตามหลักของคําสอนของพระเจ้าการบวชนี้เพื่อละกิเลสมาชำระกิเลสตนะัณหาเพื่อให้หลุดพ้นจากอกของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบวชแล้วไม่ไ ม, ไม่เสื็จกัน คุณวุฒิชัยครับผลของการปฏิบัติทำทานศีลภาวนาหากทํามากใจก็จะทําให้ใจอิ่มสงบไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมครับอาการที่เป็นในจิตแบบนี้เรียกว่าบุญใช่ไหมครับหากทําให้มากจะทําให้จิตรวมได้ง่ายไหมครับเพราะจิตเสื่อมมานานครับได้ทําทานศีลภาวนานี้ก็เป็นการทําใจให้สงบกาจัดความทุกข์สุขทัให้หมดสิ้นไปจากใจ เวลาเรามีความทุกข์อยากภาวนาแต่เวลาหายทุกข์ขี้เกียจภาวนาจะแก้อย่างไงครับก็ต้องราให้มความทุกข์เกิดขึ้นก่อนมาคิดถึงความทุกข์ที่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเราอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเาอยาจจะต้องเป็นโรคมะเร็งไม่เป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ภาวนาตอนนี้บ่ถึงเวลานั้นหน้าจะภาวนาไม่ได้ก็ได้ต้องซ้อมนี้ก่อน ตเตรียมรับศึกสงครามเหมือนกับทหารเนี่ยตอนนี้ไม่มีศึกสงครามก็ไม่ได้ทําให้เขาต้องอยู่เฉยๆเพราะก็รู้ว่ามันอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนวันในวันหนึ่งอาจจะเกิดสงครามขึ้นมาก็ได้มั น, ม, นมันคิดอย่างนี้แนละ้วมก็จะทําให้เราต้องเตรียมตัวไว้แต่เรารู้แน่นอนว่าสงครามของเราจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนต่อไปเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหคือสงครามที่เราจะต้องเข้าเข้าต่อสู้ ถ้าเราไม่มีการภาวนาเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะสู้ไม่ได้เราก็จะรับทุกไปทรมานไปแต่ถ้าเรามีเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เทรมานใจเราจะสงบเย็นสบายคุณวรพัฒน์ครับเคยฟังเทศของหลวงตาเล่าให้ฟังว่าที่โรงพยาบาลวิญญาณเยอะบางทีก็มากระตุกดึงขาคนไข้วิญญาณเหล่านี้ทําไมไม่ไปไหนครับไม่รู้เหมือนกัน่ะ ศาสนาพุทธจะอยู่ในประเทศไทยถึงห้าพันปีไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะอนาคตทํทำอย่างไรถึงจะรู้ได้ครับว่าผูุ้่วงับแล้วยังอยู่หรือว่าไปเกิดแล้วครับเราเรามีญาณอย่างทราบมีอภินยามีดิจนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอย่างทราบวิญญาณต่างๆได้วอาไปไหนแล้วตายไปมาอยู่ที่ไหน อย่างวิญญาณของมารดาของท่านท่านก็ยังค้นหาจนเจอแล้วสามารถติดต่อสแสดงธรรมบทวิญญาณของท่านได้พระบรรดาของท่านได้ต้องมีอภิน ญ, ญามีความสามารถพิเศษเวลาปฏิบัติแล้วชอบเผลอหลับจะต้องใช้วิธีแก้แบบไหนครับต้องจารณ์สติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งต้องฝึกสติให้มากๆแล้วใจก็จะไม่หลับได้ คนที่จิตใจดีแต่ปากร้ายเป็นกรรมไหมครับถ้าจิตใจมดีป่ามันไม่ร้ายหน่อยใจดีจดใจมไม่ดีปากมันเพราะปากมันมาจากใจทีหนึ่งถ้าใจดีมันก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าใจร้ายมันก็จะพูดแต่สิ่งที่ร้ายถ้าพูดพูดพูดพูดการกระทําเป็นเป็นเท็จนี่ก็บาปพูดแล้วทําให้พูดก็เสียหายเดีือดร้านก็บาป ฝันบ่อยมากครับทําอย่างไรถึงจะทําให้ไม่ฝันได้ครับฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆไหว้พระสวมนต์ก่อนนอนก็อาจจะช่วยลดความฝันให้ดให้น้อยลงได้หมาไล่แมวที่เข้าบ้านและตะปบจนตายเรากวดน้ําให้ลูกแมวจะได้รับไหมครับและหมาเราบาปไหมครับกวด น, น้ำโดยไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ต้องทําบุญก่อนต้องทําบุญอย่างไดอย่างหนก่งก่อนอจากเข้าของเงินทอง ให้กับใครก็ได้เพื่อให้เกิดบุญขึ้นมาเมือเกิดบุญแล้วเราสามารถกดนาำอุจชิบุญนี้มาให้กับผู้ที่ดวงรัาไปแล้วได้ถ้าแม่ป่วยแล้วทรมานมากปล่อยแม่ตายไม่รักษาอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้ารักษาได้ก็ควรจะรักษาไม่ไม่บาปแต่เป็นการไม่มีความเมตตาไม่มีความกตัญญูแต่ถ้ารักษาไม่ได้ ถ้าไม่ต้องการให้รักษาก็ไม่บาปแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้บุญมันก็เฉยๆไปเป็นกลางๆไปต้องอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่ทําดีกับเราทําให้เราทุกข์ใจเราต้องปฏิบัติอย่างไรครับว่าทาใจเฉยๆนะีฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้เป็นโอเบคาขึ้นมาแล้วคิดด้วยปัญญาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งเปลี่ยนเขาไม่ได้ พขเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของเขาไปทนนั่นเองพอเรายอมรับได้เราก็จะไม่ทุกข์ของเขาหนูมากัดทําลายสิ่งของในบ้านเราแล้วเราไปวางยาเบื่อหนูอย่างนี้เราบาปไหมครับถ้าเป็นตายก็บาปเราคนที่จะเอากงไปดักไปล่อบมันดีกว่าพอมันเข้าไปกินของในกรงแล้วมันก็ เป็นกับในกรงแล้วก็เอานูไปปล่อยไกลๆไปปล่อยตามป่าตามสถานที่ที่ห่างไกลาจากบ้านบ้านช่องให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันอดีตคนรักเรานอกใจแล้วไปมีลูกกับคนใหม่เขาได้รับผลกรรมไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีกรรมตรงไหนถ้าเขาไปไม่ทําประพฤติผิดประเพณีถ้าไม่ประพฤติผิดศีลก็ ส, สามเ ข, ขไม่มีกรรมไม่มีบา การถวายสังฆทานที่ถูกต้องควรทาอย่างไรครับก็คำว่าสังฆทานเนี่หมายถึงถวายไม่ได้เฉพาะองค์เนี่ยต้องถวายให้กับวัดอย่างนี้นะเป็นสังฆทานใช่ไหมจากข้าหนังก้าไฟชาระนี่ส่งเนี่ก็เป็นการถวายสังฆทานหรือถ้าเป็นของยี่ของใหญ่ตัวก็ถวายกุฏิถวายโบสถ์ถวายเจดีย์นี่ก็เป็นสังฆทานไม่ได้ถวายให้กับพระรูกดังลูกหนึ่งเป็นเจ้าของ แต่ถ้าเวลาที่มวลภาพมารูกหนึ่งแล้วเราถวายของปจัจใจสีให้กับท่านนี่เป็นการถวายบุคคลเลกกระทานไม่ใช่เป็นสัมทาน์คามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับขณะนี้หนู่กลุ้มใจมากเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นโลกไปที่สองโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเชื่อคําพูดของชายขอความไม่ตาพระอาจารย์ให้ปัญญาครับโลกใบไหนโลกใบสองโลกใบสองเหมือนกับ ไปเป็นภรรยาคนที่สองโดยที่ไม่รู้มาก่อนอย่างเนี้ยครับอาจารย์ก็ทําใจกันแล้วกันว่าเราไม่ได้เป็นภรรยาที่หนึ่งเราก็ยังสามารถมีความสุขกับเขาได้อยแต่ถ้าเราไม่อยากจะประพฤติผิดศีลเราก็เลิกกับเขาไปก็ได้เพราะเราก็มันจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ตามมาอยู่กับคนที่เขาเป็นคู่ครองของเราดีกว่าอคนที่ไม่มีคู่ครองแล้วก็เป็นเป็นคู่ครองกับเรา คืออยไปทําผิดศีลนี่พูด ง, ง่ายๆถ้ามันเป็นการการะทำที่ผิดศีลเราก็เมื่อเรารู้ล้วก็เลิกไปตอนต้นเราอาจจะไม่รู้ราอาจจะถูกเขาหลอกแต่พอเรารู้ความจริงแล้วก็ขอเลิกกับเขาไปดีกว่าขา ก, กลับไปอยู่กับคนที่เขาไม่มีพัฒนาภพความกับคนอื่นจะดีกว่าขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซหกร้อยยี่สิบคนในยูห้อยสามสิบสองคนในครับ 6คนในติกต็อก517คนนะครับฟังด้วยกันทั้งหมดวันนี้ 1,775 คนครับอาา่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา6นาทีครับอาจารย์ตอบไป128คำถามนะครับอาจารย์ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มฟังหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยเพราะจะได้นำมาไปกำจัดความทุกข์ความไม่วาใจต่างๆให้มันหมดสิ้นไป การสนทน า, ทาสรรมลอดคืนนี้เีาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้างันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ